เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่นวแน่มุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้หนั่งขาสมาโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจัดนิ้วหัวไม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่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 ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆกันนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับมา้ามไตหวัวใจเป็นต้น สมมติว่าเป็นที่โลงโลงว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรโงกลวงภายในคลา้ายๆทอแก้วทอเพชรใสๆสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่างเป็นโพรโงเป็นที่โลงโลงว่างๆ กลวงภายในไปคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกทบทวนถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิ ช, ชาธรรม ก, กาย ที่ท่านได้สรุปคำสอนธรรมะปฏิบัติสั้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์หยุดก็ ค, คือหยุดใจใจที่แบบไปแบบมา คิดไปในเรื่องราวต่างๆดึงกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางทองในระดับที่หนึ่งจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยให้กำหนดเครื่องหมายให้เป็นที่ยึด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 แล้วก็ให้เอาใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดจยู่ในกลางดวงใสใสตรึกคือนึกอย่างเบาเบาสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปมีสติขัดสบายสม่ำเสมอตรึกนึกถึงดวงใสพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนา ละคองใจให้หยุดนิ่ง้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอ ร, รหังเราจะภาวนาสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่ง เวลาใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองเราจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเราลืมคำภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ว่าใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือเคยความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะรักษาใจให้หยุดให้นิ่ง อยู่ที่กลางดวงใส ซ, ซอย่างนี้เรื่อยไปถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกดังกล่าวนี้เนะี่ยเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจนั้นน่ะให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสสเรื่อยไปเลย ไม่ช้าใจก็จะหยุดถูกส่วนไปเองเวลาถูกส่วนมันก็จะดับฟูกตกศูนย์ไปที่ฐานที่หกซึ่งอยู่ห่างจากฐานที่เจ็ดสองนิ้วมืออยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเรา แล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตตะกฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดภาพที่เราจะเห็นก็คือจะเห็นเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วขยัสิทธิ์ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชร โตแล้กับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดซึ่งตอนนี้เราจะเห็นฐานที่เจ็ดกับฐานที่หกได้ชัดเจนทีเดียวชัดเหมือนเราลืมตาเห็นนั่นแหละทมดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกาย เรียกว่าดวงธรร ม, มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าเบื้องต้นที่จะไปสู่อาญาตนานิพพานเป็นหนทางเบื้องต้นหมายถึงว่าเมื่อทำดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดการเขาเริ่มต้น ที่จะเดินทางไปสู่อายตนานิพานในเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้ากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วถ้าไม่ได้ทำดรงนีนะ้ไปสู่อายตนานิพานไม่ได้เพราะว่าทำดรงนี้เป็นต้นทางเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตน า, านิพาน และหลังจากนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยหยุดกับหนึ่งอย่างเดียวซึ่งตอนนี้หยุดมาได้ระดับหนึ่งแล้วในระดับที่เข้าถึงดวงธรรมธรรมานุปัสสนาสีปทานหลังจากนั้นก็จะหยุดในหยุดเรื่อยไปเลยก็จะเข้าถึงดวงธรรมที่ถั ด, ถดไปคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุต มุติญาณทัศนะเป็นหนึ่งชุดหดวงแล้วก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดซึ่งมีหน้าตาลักษณะเหมือนกับตัวเราที่เป็นเจ้าของนี่แหละท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนั่งเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรา และหลังจากนั้นหยุดในหยุดจากกลางกายมนุษเอียดก็จะเริ่มต่อไปต่อไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงกายในกายถัดๆไปคือกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภมละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายทำโคตภูหยาบกายทำโคตภูละเอียด กายธรรมโสดาบันยับกายธรรมโสดาบันละเอียดหน้าตักห้าวาสูงห้าวากายธรรมพระสกิตาคามีหยับกายธรรมพระสกิตาคามีละเอียดหน้าตักสิบวาสูงสิบวาแล้วก็จะเข่าถึงกายธรรมพระอนาคามีหยับกายธรรมพระอนาคามีละเอียดหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวา แล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมอรหัตย์ยากกายธรรมอรหัตย์ละเอียดหน้าตักยี่สิบวาโฉงยี่สิบวาทั้งหมดสิบแปดกายนับจากกายมนุษย์ยากถึงกายธรรมอรหัตย์ละเอียดเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เรื่อยมาจนบัตินี้กายที่ สำคัญก็คือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปเรื่อยไปเลยกายนี้เป็นกายสำคัญมากงามไม่มีทิฏฐิรบประกอบกอไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเป็นกายองค์พระเกตดอกบัวตูม โตเหมือนดอกบัวสัตบุงกฎเล็กๆิดตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียนซึ่งมีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนขวาเป็นทักษิณาวัตคล้ายก้นหอยแต่ว่าแบนล่าติดกับประเสียนของท่านกายนิสัยบริสุทธ เป็นแก้วเป็นเพชรหรือใส ย, ยิ่งกว่าเพชรเป็นกายแห่งการตัสสรุปธรรมเป็นกายแห่งการตัสรุปธรรมของตัวเราและของมวลมนุษยชาติทั้งหลายเพราะว่ากายนี้มีธรรมจักขุและกรมยานัศนะธรรมะจักขูก็คือมีดวงตาที่ ใส่บริสุทธิ์เห็นได้รอบตัวทั้งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเห็นได้ในเวลาเดียวกันเห็นในทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นไปถึงไหนก็รู้แจ้งไปถึงนั่นความรู้แจ้งจะเกิดจากการเห็นแจ้งนี่แหละถ้าเรียกว่าตรัสรู้ที่เห็นได้กับเราว่า มีแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพะกิเลทั้งหลายที่แสงสว่างนี้เกิดขึ้นเพราะปัจจัยหยุดพัจจัยหยุดมันหลุดพ้นหลุดพ้นจากที่เคยติดเรื่องคนตัดสินของอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นหลุดมาตามลำดับหลุดตั้งแต่การมนุษย์ หยาบละเอียดทิพรมลูพรมทั้งหยาบละเอียดเรื่อยมาเลยกลายนี้เป็นกายนอกภพจึงพ้นจากกฎของไตรลักษณ์จากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตากายนี้มีความตรงกันข้ามกับไตรลักษณ์จอเป็นนิจงเงเป็นสุขขังเป็นอัตตาที่ว่าเป็นอนัตตาก็เพราะว่า เป็นอิสระต่อการบังคับบัญชาของกิเลสอสวะพยายามมาทั้งหลายใจจึงขยายได้เต็มที่บังคับบัญชาได้เป็นตัวของตัวเองแล้วใครจะมาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นธาตุขงใคเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขความบริสุทธิ์ทั้งหลาย และเป็นความสุขที่เป็นนิรันดร์นี่แหละเป็นนิจังเป็นสุขขังหัตตาตรงข้างกับกฎของใตหลักแล้วก็พ้นจากกฎแห่งกรรมเป็นกายที่ออกนอกภพสามแล้วกายที่อยู่ในภพสามเท่านั้นแหละจึงจะตกอยู่ในกฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษณ์ เป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราจะรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตก็ต่อเมื่อเขาถึงธรรมกายนี้แหละถ้าไปถึงธรรมกายแล้วความรู้จริงอันใดก็ยังไม่เกิดขึ้นความสงสัยก็จะยังมีอยู่แต่เ่อเขาถึงธรรมกายแล้วความสงสัยอันใดที่มีอยู่ก็ดับไป ความไม่รู้ในใจก็หมดไปเปลี่ยนจะไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้กายธรรมนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างสำคัญที่สุดของตัวเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลายเมื่อถึงกายดีแล้วความสว่างสวัยต่างๆวิ ช, ช า, ต, าต่างๆก็จะเกิดขึ้นต่างแต่ อเพรนิวาสานุสติญาณจุตตูป ป, ปาตญาณเป็นต้นและการทำอสวกิเลท้งหมดสิ้นไปก็อาศัยกายทรรนี้แหละากายธรรมนี้จึงเป็นตัวพระรัตนาไตรเป็นเนื้อนหนังของพระรัตนาไตรเป็นตัวพระศาทสนาทีเดียวดังนั้นเราจะต้องทำความเพียรปฏิบัติให้เข้าถึงกายทรรมนีให้ได้ แต่ยังเข้าถึงกายทำไม่ได้ชีวิตยังไม่มีหลักยังง่อนเงีนยยังคลอนแคลนกันอยู่เพราะฉะนั้นจะถึงได้ก็ต้องถอดกายออกเป็นชั้นๆจะถอดได้ก็ต้องหยุดนั่นแหละเป็นหลักดังนั้นนะ่คลายถนนะัดในการนึกถึงภาพโดนแก้วใสๆก็ให้ตรึกไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าใครคุ้นกับองค์พระ ก็ตรึกถึงองค์พระแทนก็ได้หรือสิ่งที่เราคุ้นเคยรตรึกรกไว้ตรงกลางฐานที่เจ็ดหรือจะเริ่มต้นจากจุดที่เรามีความรู้สึกว่าสบายอย่างนั้นไปก่อนก็ได้แต่ตอนท้ายเมื่อนมโนใจนุ่มโนคนควรในการงานแล้วนะ จึงน้อมมาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นตรงไหนไปก่อนก็ได้แต่ตอนท้ายต้องมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเพราะาฐานอื่นไปนิพพานไม่ได้เข้าถึงธรรมกายไม่ได้ต้องฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นแหละจึงจะเข้าถึงกายธรรมได้ การบูชาข้าพระซึ่งเราได้ปฏิบัติสืบเนื่นต่อกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วเริ่มต้นตรงกายธรรมเมื่อเขาถึงกายธรรมแล้วได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วจึงจะได้น้อมนำเอาเครื่องธยธรรม อันมีดอกไม้ทูกเทียนอาหารหวานก้าวน้อมไปโดยกายธรรมแล้วกับประกอบวิชาธรรมกายจึงจะไปถวายแด่พระธรรมกายของพระสมมาสุบริจา้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ตับขันธบริิภานานมาแล้วเหลือแต่ธรรมกายปรากฏอยู่ ในอายัตนานิพานธรรำประกอบวิชาธรรมกายจึงจะไปถวายท่านได้การทำอย่างนี้นะจะมีอานิสงฆ์มากธรรมกายนีแหละคือกายของพระสมมสมติเจา้าที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้ธรรมกายโยอังอิติปิธรรมกายคือทศหาคต คือเนินหนังของพุทธเจา้าสถาคตคือธรรมกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ประกายอยากของพระองค์ท่านไม่ใช่ด้วยรู ป, ปรกายไม่ใช่ที่ประกายพรมหรืออารมณแต่ว่าเป็นกายธรรมที่พระองค์ยืนยันอย่า ง, างนี้และว ก, ก็ทุกๆพระองค์จะยืนยันอย่างนี้เหมือนกันหมด ธ ร, รมกายจึงเป็นตัวจริงของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าจะตั้งเป็นนามกายอารหันตสัมมาสมัมพุทธเจา้าที่ท่านได้บรรลุบรรลุในวันเพ็ญึ้นสิบภาคเดือนหกใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์ที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วนั่นแหละท่านบรรลุในคืนนั้นเมื่อทําความเพียรอย่งางกล้าหา ไม่ได้ตายเถอเนือเลือดจะแห้งเหือด้ายไปเลือดจะกระดูกหนังชึ้งมาหยุดกรนิ่งเรื่อยไปกายถอดเป็นชั้นๆและได้บรรลุ ก, กายธรรมอรหันต์สมสมติเจ้านั่นแหละคือกายของพระพุทธเจ้าและเมื่อท่านดับคันตปริพานไปแล้วกายต่างๆก็ถอดออกหมด กายต่างๆถอดออกหมดตั้งแต่ยังมีชีวิตยอยู่เหลือแต่กายมนุษย์ยากกายมนุษย์ละเอียดเท่านั้นที่พรมลูปพมโคทบูโซดาศิทคาพระอันาคาถอดหมดแล้วถอดออกบทแม่กระทัางกายทำอรหัสตถอดหมดเลยเข้าถึงกายอารหันต์สมม์สมุทิเจ้า เพนั้นก็จะมีเหลือแต่กายธรรมกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็กายมนุษย์หยาบติดตัวท่านระหว่างมีชีวิตอยู่ก็เข้านิพพานสัพปะติเสสะนิพพานนิพพานเป็นในกายมนุษย์คือพบทึ่เป็นที่อยู่ของกายธรรมอรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าอยู่พระองค์เดียวเป็นพบที่อยู่ สอุปาทิเสสานิพานอยู่องค์เดียวและเมื่อดับขันธปรินิพานก็คือกายหยาบกายละเอียดมหลุดออกแล้วถอดออกจากกันแล้วก็ดับวูบไปเลยเข้าอนุปาทิเสสนานิพานมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งหลายนั่นแหละ ท่านเข้าไปเก่าๆแก่ๆก่อนๆโน่นนั่นแหละเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามีท่านอยู่จริงพิสูจน์ได้เฉพาเมื่อเราเข้าถึงกายธรรมนั่นแหละแล้วก็ได้ศึกษาวิชาธรรมกายทมหยุดรมนิ่งปล่อยหลุดปล่อยพ้นไปเลยพอถูกส่วนเข้าก็จะไปรู้ไปเห็นท่านได้เาราก็อัลตนา พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบพิชาธรรมกายคุณยายพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีบารมีมากๆประกอบวิชาธรรมกายไปถวายเพื่อจะเอาบุญใหญ่นี้มาให้แก่ลูกๆห ล, ล, ล, ลานๆของท่านทุกคนเอาบุญใหญ่นี้ไปลือผังจนเทาวอดผังวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ที่มันติดข้ามพบความชาตขกันมา แต่งแต่ปฐมชาติเพื่อ้กเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีเบื้องต้นก็ยังบริสุทธิ์กันอยู่ต่อมาท่ามกลางและกระทั่งบัต้เนี่ยก็ถูกปนเป็นกันเรื่อยมาทั้งธาดุธรรมเห็นจำคิดรู้ความคิดคำพูดคกทำกระทํารทางกายวาจาใจไฟล์นความเห็นก็ผิดเพี้ยนไปมีบาปบาศักศิธย์หรือบาปกรรมวิบากมรร จึงเข้ามาบังคับบัญชาบังคับบัญชาตัวเรานี่แหละและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ไปรู้เบื้องต้นทางกลางเบื้องปลายไลยมีชีวิตวนเวียนอยู่ด้วยความทุกข์ทร ม, มาร์ไม่ได้คํานึงถึงเป้าหมายของชีวิตของการสร้างบารมีใช้ชีวิตให้หมดกันไปวันๆหนึ่งเปิดเพลินกับใบมั่ง ทำมาหา ก, กินกันบังเบียดเบียนกันมังอยู่ตลอดเวลาหาทางออกไม่เจอเลยเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงกันก็ทําให้สร้างกรรมทางใจทางวา จ, จาทางกายก็สร้างแล้วก็มีวิบากมีผลของการกระทํานั้นส่งกันต่อต่อมันรับพบรับชาติไปทวนทําให้ชีวิต จากเดิมสูงส่งก็ตกต่ำไปเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นารกบ้างเป็นอสุร ก, กายบ้างเป็นเปรต บ, บ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นมนุษย์ชั้นล่างที่ทำหมากินอยวางฝื่ครื่นชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสต้องทำบาปอากุศลกรรมอีก ก็ต้องเวียนตกไปในอาบายอีกกว่าจะหลุดพ้นออกมามีชีวิต ท, ที่พอจะรู้เรื่องรู้ราวพบแสงสว่างแห่งธรรมของพระสมมสมุติเจ้าที่ได้กลับเ้ิยกับตัวใหม่ได้กับยาวนานทีเดียวไปเป็นเทวดามังลมรูปพมเดี๋ยวก็หล่นลงมาอีกแล้วไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ตรงไหนก็าตาม ชีวิตในภพสามในสังสารวัตนี้ล้วนจะมีความทุกข์ทร ม, มานทั้งสิน้นแต่ว่าทุกข์กันคนละแบบในอบายนั้นทุกชัดเจนอสุรกายเปรตซาติริชานในมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ด้วยความฝึกเคื่อนก็จะเห็นความทุกข์ได้ชัดเจนชั้นล่างก็ทุกแบบชั้นล่างคนจนทุกแบบคนจน ชนชั้นกลางกระทุกแบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงเศรษฐีกระทุกข์กแบบเศรษฐีผู้ปกครองกระทุกข์แบบผู้ปกครองล้วนจะมีทุลีในดวงตามีความคืงตาคืงใจกันทั้งสิ้นเป็นเทวดาเป็นอะไรกระทุกทั้งนั้นแต่ละเอียดปราณีกันขึ้นไปนี่คาบังคับปัญชากันมาอย่างนีนะ้เพราะฉะนั้นจะเอาบุญนี้แหละ มากลัน่นมากแก้ให้มันเยือจางให้มันบรรเทาเบาบ า, บางาลงไปเพื่อที่จะได้มีโอกาสฟื้นฟูความคิดดังเดิมเป้าหมายดังเดิมที่มันเบียเบ่ยงเบนไม่นานนั้นให้ปรับทิศปรับทางให้มันถูกคิศถูกทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งนำ้ำ จึงเป็นสถานที่ที่หลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะจากการบังคับบัญชาของเขา ท, ทีิการจะเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งคำนั้นมันต้องมีบารมีมากบารมีจะมากได้มันก็ต้องสร้างมากๆจะสร้างได้มากนั้นมันก็จะต้องปลอดกังวลไม่มีแรงกดดันในการแสวงหาทรัพย์ ต้องมีทรัพย์มากมาเมื่อมีทรัพย์มากมันก็ปลอดแรงกดดันปลอดปัญหาให้ทานจะรักษาศีลจะเจริญภาวนาก็สะดวกสบายกว่าคนที่ฝืดเครื่องในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นบุญวันนี้แหละจะทำให้เราลื้อผังที่ไม่ดีออกล้างอัฉีิ ลางผังจนท้าวนอนลำบากฝืดเคืองฝังผังไม่รู้เรื่องราวของชีวิตมันหมดไปแล้วก็ต่างผังใหม่ผังรวยท้าวรนผังของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกมาแล้วติดไปในภพบเบืองนาให้ตรึงติดไว้กับพระรัตนตรยัยเมื่อผังนี้ติดไปแล้วมาเกิดใหม่ สร้างบารมีก็จะสะดวกสบายกว่านี้เมื่อสร้างสะดวกสบายเนี่ยบุญก็เปิดขึ้นมากบุญเกิดขึ้นมากบารมีก็เพิ่มไปเรื่อยถ้ามารมีบารมีมันลดถ้ามารหมดบารมีมันจะเพิ่มตรงกันข้ามกับที่เราเคยได้ยินว่าไม่มีมารบารมีไม่เกิดนั่นข้าเอาไว้ปลอบใจคนที่ จะอุปรสรรคแล้วท้อแท้จะได้มีกําลังใจสู้อุปรสรรคแต่ความจริงแล้วทํามานมีนะบรารมีเราจะลดทํามานหมดบรารมีมันจะเพิ่มเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีบุญเมื่อมีบุญก็มีโภกษทรัพย์สมบัติเมื่อมีโภกษทรัพย์สมบัติก็ปลอดปัญหาปลอดแรงกดดันก็สร้างบรารมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนา ขจัดพยามาลที่อยู่ในใจเราเนี่ยแหละต่ถ้าทาเห็นจำคือรู้หมดไปลดลงไปเท่าไหร่เรามีกับเพิ่มมาไปเลยๆนับภพบนับชาติก็ไม่ทุนสักวันหนึ่งเราก็าจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นวันนี้เราจะมาบูชาข้าวพระให้ลูกทุกคนตั้งอกตั้งใจกันให้ดีนะจ๊ะอย่ายใจวอกแบกอย่าทัดาย อย่าลืมตาไปดูนู่นดูนี่ให้หลับตาหยุดนิ่งอยู่ภายในให้หยุดใจใส่ใสเมื่อใจใสละเอีดอยดดีแล้วเราถึงจะประกอบพิธีบูชาข้าปลากันต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้หยุดใจนิ่งๆิ่งนั่นลูกนะฝึกใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสใสจำง่าย ทำตัวให้สบายทำใจให้มันสงบให้มันละเอียดฟ่องเบาเหมือนปุยนุ่นหรือขนนกที่ลอยไปบนท้องฟ้าอย่างนั้นน่ะฝึกหยุดฝึกนิ่งกันให้ดีนะลูกนะต่างคนต่างทํากันไปหยบีบหยีบนะจ๊ะ เมื่อกายว่าจ่าใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพ ร, พร้อมๆกันเราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันต่อไป เมื่อกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนและบูชาข้าพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปเราก็เอาใจยหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดิมนะจ๊ะจะเลินสมาธิภาวนาไปให้ใจหยุดในหยุด หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางกายการที่เจ็ดใครเข้าถึงดวงธรรมก่อใจหยุดไปที่กลางดวงธรรมหยุดอย่างสบายๆเข้าถึงกายภายในแต่งแต่กายมนุษย์ละเอียดถึงกายอรูปภมละเอียด ก็หยุดหยุดในกลางกายภายในที่เข้าถึงกายธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางกายธรรมหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างสบายสบายอย่างสบายสบายเป็นการหยุด สี่ถึงดวงธรรมและกายต่างๆเหล่านี้ความรู้สึกที่กายหยาบมันหายไปแล้วตัวมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอิสระจะไม่อึดอัดไม่คับแคบไม่ชะงกมองแต่ใจจะใสสว่างขยายส่วงพูดจะยังหยุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลูกนะ เบาวางเบาๆนิ่งๆสบายบายไม่ต้องกดลูกในตาไปในกลางท้องดวงตาอยู่ในองศาเดิมที่เดิมแต่เรามองผลอนเผยคือนึกนิดเดียวมองผ่านๆมองเหมือนไม่ได้มองเหมือนไม่ได้ตั้งใจมองแต่ก็มองภายในอย่างเบาๆ สบายสบายและก็นึกน้อมเอาเครื่องไทยธรรมดังกล่าวดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานขาวไว้ในกลางของกลางกายเราหรือกลางสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงซึ่งถ้าใครยังหยุดไม่สนิทยังไม่หลุดจากกายหยาบความรู้สึกของเรามันจะเล็ก จะแคบก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแล้วก็นึกนิ่งๆสบายๆเราก็อาลัตนาหลวงปู่ประเดี๋คุณหลวงปู่ผู้คนพรฟิชาธรรมกายคุณยายของเราท่านก็กลั่นทายรทมให้ใสสว่างกระทั่งมีลัสมีเลยถวายเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาเด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปริเจา พ, พระอาหาร์ทั้งหลายเต็มไปหมดเลยเป็นพุทธบูชาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าท่านเหล่านั้นจ ะ, สะเสวยอาหารทิพย์เหมือนพระสงฆ์ขบชั้นอาหารหยาบไม่ใช่นะจเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกกลาในใจ พันธกาบกายละเอียดเราราบหมดเลยทุกกายไปเลยขอบุญขอบารมีขอรสมีกำลังฤทธิอำนาจสิทธิเหียบการสมบัติคุณสมบัติลหลากยศสั้นแสนสุขมรรคผลิพานให้บังเกิดขึ้นกับตัวของเราตัวของขาเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นคนยากมีบุญน้อยบารมีน้อย เพราะฉะนั้นอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตยังมีมากได้อนุภาพแห่งบุญดังกล่าวที่บังเกิดขึ้นจากการบูชาข้าพลานีซึ่งมีอานิสงส์เป็น อ, อสงไขยอมประมอนดันให้เฉยระจัดทุกโศกโรคภัยสิ่งที่มีดีต่างๆวิบาทบาทศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมาให้ละลายหายสูญไป ห, หมด ให้สมบัติใหญ่นี้ติดตามไปเป็นสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นไปตอกพบทุกชาติตากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมปัจจุบันในชาตินี้ก็ให้ได้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืน ทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธรุรกิจการงา น, น, นดันใดกายประสบความสาเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไร ง, งามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาระดุธนานาธาบินิกาเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขา จะรับราชการกายมีความเจริญรุ่งเรืองจะคลองเรือกนกให้ลาบเรือจะศึกษาเล่าเรียกนกายเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ศึกษาวิชาธรรมกาย ทำบรรดาเทวดาผู้คนหลวงปู่ผู้คนพ่อิชาธรรมกายและคุณยายจารย์ได้บรรลุเขาเราได้มีส่วนบรรลุในธรรมนั้นให้มีสุขภาพร่างนิงมัยที่แข็งแรงอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดานักยักคนทานคุ้มพันสัพสัตทั้งหลายอคีภัยเจราภัยราะภัยภัยทุกชนิดจะเดินมาคำกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงาม ให้มีบุญพิเศษที่จะไปทําหน้าที่พู้นำบุญยอดกัญยาณมิตรจะไปชักชวนผู้มีบุญทั้งหลายมาสร้างบารมีมาทํากระถิ่นกด็ดีหรือสร้างบารมีทุกๆบุญก็ ข, ขอให้มีถ้อยคําที่ศักดิ์สิทธิ์มีลทธิ์มีเดชมีอานุภาพใครได้ยินได้ฟังให้เกิดความปิติเลื่อมใสขนพองสยองก้าวให้ดีอกดีใจกันหมดทุกๆคน มีความเคารพเรื่อมใสในพนระรัตนตรัยที่เป็นบรรพชิตก็ให้ได้สร้างบารมีได้ตลอดหลอดฟังควเพนเน่ธรรมบารมีให้ได้ตลอดชีวิตจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางในผนทางแห่งการควเพนเน่ธรรมบารมีเลยจะศึกษารเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอด ในธรรมวินัยนั้นทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็ให้ไพเราะเบื้องตอนตามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบรูณบรณ์ทั้งอัตตาทั้งใบยันชนะใครได้ยินได้ฟังทำก็ให้บรรลุธรรมะปิสมัยกันหมดทุกๆคนเราก็ตั้งความปรารถนาขึ้นไปให้ดีทีเดียวมีข้อบกพร่องตรงไหนแล้วก็ตั้งความปร า, าปบบรถ น, น, นาไปและขอให้บุญใหญ่ในวันนี้ที่เกิดขึ้น จึงได้ถึงแก่ผู้ที่ละโลกไปแล้วจะเป็นบรรพบรุษบุพก า, ารียาสนิทมิสหายสัมพันธชนจะเป็นบุคคลผู้เป็นที่รักของเราบุคคลใดก็าตามจะอยู่แห่งหนตำบลใดภพภูมิใดก็าตามก็ขอให้ได้รับส่วนบุญที่เราอุทิศส่วนนี้ได้อนุภาพเป็นพระธรรมกายของพระสมมาสมุชชิเจ้าและมหาปูชนียาจารย์ ได้นาบุญนี้ให้ไปถึงแก่มหมู่ญาติผู้ที่เป็นทีละคารบปูชาของพวกกับปเจ้าทั้งหลายที่เน่าไ ก, ก่เป็นเบาที่มีทุกขมากก็ให้ทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็ให้พ้นทุกที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายม่มีปลอมานที่เวียนว่าตายเกิดในวัฏสงสารในสาสเอ็ดภูมิ ในการมาพบในรูปพบในอารมณ์พบในกำเนิดทั้งสี่ทั้งโอปปปาติกะสรัรบุตชะสังเสริฐะอันเตชะก็ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้แบ่งปันอุทิศ ส, ส่วนไปนี่ที่มีทุกมากก็ให้ทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็ให้ผลทุกที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและบุญทั้งหมดขอให้ย้อนกลับมาสนองเรา ให้มีกำลังใจในการสั่งสมบุญสั่งสมบรมีให้ได้ตลอดตลอดฟังให้จิตใจละผ่องใสไม่เศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาทีเดียวใครเข้าใครก็ขอให้จิตใจผ่องใสสว่างสวัย ห, หมดทุกคนทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะที่บ้านไม่ว่าในที่ทํางานที่โรงเรียนในทุกคนทุกแห่งก็ตามให้ผ่องใสไม่เศร้าหมอง ได้อานุภาพแห่งบุญที่เราได้สังสมเอาไว้อย่างดีแล้วในวันนี้ด้วยการบูชาข้าพระนะจ๊ะครั้นี้เราก็อธิษฐานจิตตามใจชอบทีเดียวอธิษฐานจิตเดียวเราจะปรับตัหานอะไรก็ตามวันนึกถึงบุญว่าอานุภาพแห่งบุญบูชาข้าพระในวันนี้ซึ่งมีอดีศง์เป็นอสีศงขันธปมหนึ่งช่วยขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไป จะขายที่ก็ยห้ขายได้ขายบ้านก็ให้ขายได้จะขายโทรศัพท์มือถือขายอาหารขายผลไม้ปลาหมา้เสื้อผ้าขายอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ลาบหรืกอกนะ็อธิษฐานไปแล้ลูกน้อธิษฐานไปจะให้หมดหนี้หมดสินเลยกินเหลื อ, ลอใช้เหลือไว้สร้างบารมีอะไรเราก็อธิษฐานไปขายเจ็บขายป่วยขายก็ขอให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรง หายวันหายคือเราก็อธิษฐานไปเรื่อยๆตามใจชอบตะลูกนะต่างคนต่างอธิษฐานกันไปเงีย บ, ยบด้วยจิตใจที่ชื่นบานในมหาทานบา ร, รมีที่ตัง้งเอาไว้อย่างดีแล้วทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ